ไม่มีจุดหมายปายทางไม่มีที่สิ้นสุดแห่งกองทุกข์ที่มีอยู่ในใจของสารโลกอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่อออามากเพราะฉะนั้นท่านผู้ปฏิบัติธรรมะจึงต้องรื้เรีนขวัญขวายในอันที่จะแก้สิ่งที่เป็นพิษภายใจาก่จิตใจของตนให้มบาบางลงไปการแก้ไขนี้เรียกว่าการต่อสู้หรือเรียกประสงค์สามก็ได้คือเรารบมีทางต่อสู้กัน หาขณะใดหรือเวลาใดวันใดที่เหลือชนะเราเราก็ยอมทนทุกข์ามานภายในใจิตใจถ้าเราชนะเราก็มีความผาสุเกเย็นใจที่เหลือเหมาะไปช่วยการเช่อเวลาเรามีความสะดวกสบายใจด้วยการชำระไม่ด้วยการต่อสู้กันโดยวิธีการต่างๆเช่นเดินเป็นกลมนั่งสมาธิภาวนาแกะไขตางสติปัญญา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 ความมุสาพยายามความ อ, อกความทนหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่ถอยมีกองเสบียงเป็นกำลังสติปัญญาเป็นเครื่องมือรบทงหักที่เละทั้งหลาย เ, ลเบาบางจากอีกใจไทยเชลยมีความร่มเย็นเป็นสุขมุ่เจยการต่อสู้กันระหว่างที่เลกับธํา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 ดูเริ่มแรกตั้งแต่อยู่ในคารวะเยื่อเอือนมีความมุ่งมั่นต่ออัดต่อธรรมประพฤติปฏิบัติจนถึงกำลังออกหมวดในพุทธศาสนาแล้วตนั้งหน้าบําเพ็ญตนเพื่อชำระที่เหลือวิปรากปราณที่เหล็กซึ่งมีความในจิตใจให้หมดไปโดยลํำดับลำดับในสนามรบคือความเพียรซึ่งมีอยู่ในสถานที่ขึ้มนมีอยู่ในสฐานที่ต่างๆอาการต่างๆ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 กับรรมหรือระหว่างที่หลุกับธรรมในกลางบรงารมณมสุขนในภายในจิตใจปรากฏเป็นสถาะที่สามขึ้นมาว่าสังขังสนานะสามนี้ทั้งสามสถนานะนี้ได้ผ่านสงครามมาแล้วอย่างเต็มที่จึงได้รับสยาน ะ, ะเราผู้เป็นพุทธบริษัทไม่กล้าเข้าสู่สงครามเลยและมีแต่ยอมแพ้อย่างราบไปตลอดเวลานั้น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 หากอัถะพุทธังเสเระยะถาถะหากว่าละลูกถึงพระพุทธเจ้าวความกลัวภัยทั้งหลายนั้นยังไม่หายไปก็ให้เพึงลึกถึงพระธรรมขึ้นาด แ, แล้วภัยทั้งหลายจะระงับไปคือความกลัวซึ่งมีภายในใจิตใจหากละรู้ถึงมาทํายังไม่หายไปแล้วเพึงละรู้ถึงพระสมเถิดเนื้อภัยทั้งหลายจะหายไปอันนี้เป็นหลักยึดของใจ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 เวลาหอนตุตรงนัน้นในสัญญาบัต้าเย็นสิทิ์ันจะได้มีเยนแจกันใกันอเมยาประชาหอนตุตรงนันาบตรอาค่าอาห่าอย่าได้ไดเบียดเบียนกันสนราาหอนตุสุขีอาจานังเผยหารันตุต้องนำตนไปสู่ความสุขโดยพวกันเถิดนี่กาสอนให้สัตว์ที่มีเป็นเพกกื่อนทุกคแจกจตายด้วยกันนั้นให้เห็น อ, อ, อกเดินใจกัน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 ก็มีเพียแต่จะให้หิ้หัวอยากอะไรไม่อยากนะเฉยมาเอาละขอฤทิติตเหมือนกันใหันีอีกดอกเฮ้ยราวัานะงแล้วใส่กรงทองให้เขาพุดขัมารยาตรีพดขัมารยาลรงฟังีดกว่าพุดหันมารยาลิงพูดอะไรๆก็ให้ิีตังตก็ปลมรีใช้เวลา นี่เราจะดนตอนไหนแล้วก็ไปป่อ ย, ยอไปว่างันพอปล่อยแล้วก็ลีนตัว น, นี้ให้ปลป่แล้วปล่อยจะฝุงลีนพอป ล, ล่อยแล้วลีนตอนนี้โดดลงน้าโดดลงน้ำาลง้ลงยุ่งไปหมดแล้นี้ทำไมไปต้ ง, งทั้งหลายก็เหม็นลงไปเล่นน้ากันเหงแล้วเขามันจะเล่นเหมือนกันแหละว่างั้น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 ดูร <flats> <t> ู้สีเกียรฝั่งก่อนของโลกเป็นไงหมดแล้วอะไรนิดาจาด์หมดแล้วไง